แนะนำบทอัลกออตบทอัลกออเป็นบทมักกิยาะมี5องค์การซึ่งเริ่มกล่าวถึงการประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาและได้กล่าวถึงความประเสริฐของคืนอัลกออตที่มีเหนือกว่าวันอื่นๆและเดือนอื่นๆโดยที่ในคืนนั้นมีรัศมีแสงสว่างและความกระจ่างแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์และกลิ่นไอายแห่งความเมตตาได้แผ่คลุมไปยังกวงเบาวของพระองค์ผู้ศรัทธา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 น ن ز ลน اه ุ في ليلت القدر ว่าม اء อดรา ك มา ليلت القدر لي الق ถ้าจริงเราได้ประทานอันกุราณ ล, ลงมาในคืนอลันกวดัฐและอะไรเล่าที่จะทําให้เจ้ารู้ได้ว่าคืน อ, อันกวดันั่นคืออะไร ل ล ل ت القدر خير มมินอัลฟิชหร